ผูก้การให้ชอบพระปาราปริยะเทราคาถายัางไงวันรับท่านท่านมีอินรีสังวรครั บ, รบตรงท่านมีอินรีสังวร น, นะรในอัตถกถาเทราคถานี่กล่าวถึง เป็นพระที่เจริญวิปัสนาโดยอวอัยตนะเป็นประธาน mm hmm. นั่นนะคือการเจริญวิปัสนานั้นจะขึ้นต้นด้วยขันก็ได้อายตนะก็ได้าธาตุก็ได้อินทรีย์ก็ได้หรือปฏิจจสมุปมาฏก็ได้ถ้าอย่างพระปาราปรยาสนี้ท่านก็เน้นที่อายตนะเนี่ย น, นะคืออวัยตนะเป็นประธานในการเจริญวิปัสนา ซึ่งใครจเจริญนิปั ส, สนาเรื่องอายตนะไม่เป็นนะก็สาธยายง่ายเงีเอาแบบวิพังอ่ะสาธยายง่ายดิมาเห็นนะจําได้เลยชอบมากง่ายดีมากเพราะบวกกับสิ่งที่เราจําได้อยู่แล้วใช่ไหมจากขวาอายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยจาง่ายมากนั้นถ้าเราจําอายตนะสิบสองได้ก็บวกคําว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี่ก็ได้แล้ว ก็ไปคิดอย่างนี้ให้มากมากค่ะอย่างไรไปคิดถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาของอายตนะทั้งสิบสองเนีย่ยมันไม่เที่ยงยังไงมันเป็นทุกข์ยังไงมันเป็นอนัตตายงงอย่าง ไ, ไงไมันแปรปรวนไปยังไงะที่เหลือว่าจะทําให้เข้าใจอย่างอื่นขึ้นทีนี้ถ้าเข้าใจอันนั้นขึ้นอะ่ะปกติสัตว์ทั้งหลายก็ไปเห็นขัดกับคําว่าไม่เที่ยงอยู่แล้วไงคือปกตินะ่ะสัตว์นี่เห็นขัดกับคําว่าไม่เที่ยง เพราะไปเห็นว่าเที่ยงเห็นเมื่อไรก็เหมือนเดิมหมดเลยอย่างนี้เจะไหเนี่ยลืมตาเห็นเนี่เคยนึกว่าตาเราเปลี่ยนทุกวนันทุกวันไหเปลี่ยนทุกๆขณะไม่มีความรู้สึกกันนะอันนี้คือเห็นขัดกันก่อนเพราะคำสออพระองค์ตรัสความจริงของอยายตนะว่าไม่เที่ยงของเราก็เห็นว่าเอ๊ะมันเหมือนเดิมนี่เห็นเมื่อไรเมื่อไรก็เหมือนเดิมหมดอันนี้ก่อนท่านบอกว่าเป็นทุก เ่อเราก็มันไม่เห็นเสียหายอะไรเนี่ยไม่เห็นต้องแบกต้องหามเลยลืมตาก็เห็นแล้วท่านบอกว่าเป็นทุกข์ใช่ไหมของเราบอกไม่ต้องแบกต้องหามมองเห็นเลยเนี่ยโน่นเมื่อไหร่ที่มันตาเคตาเอียงแล้วปวดหัวบ้างเดือดร้อนจะถาแว่นอะ่ะนั่นแหละชักเออชักเออมันใช่ไม้มมันทุกข์จริงแต่ถ้าธรรมดาก็ไม่เคยพิจารณาเลยว่าแหมมันนี่มันทุกข์นะเนี่ยแบกตัวทุกข์นัเนี่ยมันนํามาซึ่งความเดือดร้อนสารพัดอาศัยตานี่แหละ นํามาซึ่งความเสียหายไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชนิดก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ไม่ได้คิดว่ามันทุกข์อะไรเนี่ยนะแล้วมันเป็นอนัตตาเนี่ยคําว่าอนัตตก็คือว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่ว่างจากบริขารของอัตตาว่างจากอัตตาอัตตนิยะว่างจากความที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนเนี่ยนะว่างจากความที่เราว่าไม่แปรปรวนเป็นธรรมดานั่นก็คือความเป็นอนัตตาของสิ่งนั้นเนี่ยนะ ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้สำวจไม่มีผู้ที่เป็นใหญ่ในสิ่งล้นนั้นจริ ง, รงๆแต่นั้นความเป็นอนัตตาแต่ของเราก็บอกเอ้มันก็มันก็เรานะหรือว่ามันก็ของเราไปหยิบอย่างอื่นเป็นอัตตาเข้าก็เลยสําคัญว่าสิ่งนี้เป็นเป็นของเรานะนะีทีนี้ระบทสุดทธาธ้ายท่านบอกว่ามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาของเราบอกเอ้มันก็เหมือนเดิมอ่ะมันก็เมื่อไร่เมื่อไร่มันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมไปหมดอนะ่ะพรุ่งนี้อสมมุตินะแบบ ถ้าคนที่นิ่ จ, จสัญญาเนี่ยนะเมื่อวานกับวันนี้เชียงใหม่มันก็เหมือนเดิมปีไหนปีไหนมันก็เหมือนเดิมเซ็งกันแย่อยูะอะไรอย่างเง้ยนะเคยมันสำคัญว่ามันเหมือนเดิมไปหมดจริงๆแล้วทุกอย่างในโลกนี่นะไม่มีอะไรอยู่กับที่จริงๆริงเหนะหไม่มีอะไรที่ไม่มีการเปลี่ยนแป ล, ปลงแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีถ้าใช้คําว่าโลกนะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีเพียงแต่ว่าศาตร์ทั้งหลายเนี่ยตกอยู่ในความประมาทก็เลยไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของ สรรพสิ่งว่างั้นเถอะสัรพ ส, สังขารธรรมเนี่ยนะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดแต่ว่าไอความที่ประมาทเนี่ยนะความที่ประมาทไม่ได้มีอนิจจสัญญาเป็นอัธยาศัยก็เลยนึกว่าทุกอย่างนี่เหมือนเดิมหมดจริงแล้วไม่เหมือนเดิมเลยนี่นนถ้าเอาไอคำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะไปใไข้ครวนกับอายตนะทั้งสิบสองอายตนะแล้วก็คูณ ชีวิตภายในเนี่ยนะคืออัชตะวาอัชตังวาเนี่ยชีวิตของเราเป็นยังไงอายตนะภายคือของบุคคลอื่นก็เป็นฉะนั้นเหมือนกันนั่นไม่มีความจีรังยั่งยืนอะไรมากใช่ไหมไม่ข้าที่เป็นจริงก็คือทุกข์ขัดทั้งแน่นี่นะเนีความจริงของเขาก็คือที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานี่ถามว่าถ้ารู้จริงอายตนะทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเนี่ยควรจะละกิเลสอะไรได้ไม่เที่ยง ต้องละมานะได้ละเครื่องเลื่อนช้าคือมานะได้ถ้าเห็นโดยความเป็นทุกต้องละเครื่องเลื่อนช้าคือตัณหาได้นั่นแหละถ้าเห็นโดยความเป็นอนัตตก็ละเครื่องเลื่อนช้าคือทิฏฐิได้ของเราก็บอกเอ๊ะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามก็รู้อยู่แล้วแต่ทําไมมาละ ก, กิเลสอะไรไม่ได้ น, นี้ก็น่าคิดนะก็บอว่าพพุทธศาสนาก็เหม็นมีอะไรมีแต่นิจังทุกขังอนัตตาก็มีอยู่เท่านั้นแต่ว่า สมัยพุทธกาลเนี่ยเขาใช้คำเหล่านี้เขาตรัสรู้มรรคผ ล, ลนะนะโอ้เห็นชัดเลยว่าอเนี่ยทุกข์ษัตริย์มันเป็นอย่างนี้ของเราก็ได้พยันชนะเอาไว้เป็นเป็นที่ใช้โวหารกันเพลิดเพลินเลยนะก็แตกต่างกันมากเนี่ยนะนะก็คือเหมือนกับว่า ร, รู้รู้อยู่แต่จริงๆแล้วไม่รู้นะนะ น, น, นี่ยนะถ้านนีเนท่านใช้คำให้เห็นภาพชัดเจนมาตาบอดถือคบเพลิงน่ยนะ มันมันเป็นเพรา ะ, ะใช้พยัญชนะได้ตรงตัวดีมากเยีายวนะตาบอดถือคบเพลิงหมายถึงว่าผู้ที่เรียนคำสอนแต่ว่าไม่ได้ไปเห็นอย่างคำสอนท่านแสดง น, นะมีค่าไม่ต่างกับตาบอดถือคบเพลิง่มถ้าเราอย่างเราศึกษาอนิจจังทุกขังอนัตตานะซึ่งก็เป็นคำสอนที่ชัดเจนแต่เราก็ไม่ได้ไปเห็นอย่างนั้นจริงๆความต่างไม่มีไม่ต่างอะไรจากตาบอดถือคบเพลิง นั่นไงเหมือนเห็นน่ะแต่ว่าไม่เห็นพอพูดถึงว่าเอ๊ะมันสองนะเอ๊ะมันก็สองอะ่ะเพราะเราถือคบเพลิงอยู่แต่มันก็ไม่เห็นอยู่ดีนั่นไงยกข้อความในปาราปริยะเทระคาถาขึ้นมานั่นไงเพื่อที่อาจจะผู้ที่มีอัธยาศัยในการเจริญวิปัสสนาแบบพัทธปาราปริยะนัะ่นไงพระปาราปริยะนี้เป็นพระอรหันต์สมัยพุทธกาลนั่นไง ที่มีบุญปฏิสัมพิทา4วิโมก8์แนะฮะพิญญา6ท่านมีหมดวิชาสซึ่งผู้ที่บรรลุเป็นระารหันสิ่งที่เหมือนกันทั้งหมดคือมีบุญญาที่การที่สร้างไว้แล้วแต่ปางก่อนอันนี้ต้องเหมือนกันหมดเพราะไม่มีบุคคลใดที่จะบรรลุโดยที่ไม่ได้สะสมบุญญาที่การมาแต่ปางก่อนนะเพิราะถ้าอ่านเทรคถานะประโยคแรกๆจะขึ้นเหมือนกันหมดคือ ผู้ได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้แล้วในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนนี่นะเคยทําบุญและตั้งความปรารถนาเอาไว้แล้วนะผลท่านได้สั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานเอาไว้ในภพนั้นนันนนะแต่ละภพทําบุญก็สะสมอุปนิสัยเพื่อที่จะดับอุปาทานขันห้านี่นะท่านก็ท่องเที่ยวไปในเฉพาะสุขติเท่านั้นไอ้คําว่าเท่านั้นเนี่ยแปลว่าโดยมา ก, ก น, นะ ในพุทธบาทการนี้บังเกิดเป็นพรามมหาสารคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีเมื่อเขาเจริญวัยก็ได้ชื่อตามโคตรว่าปาราปริยะอันนี้แสดงว่าเรียกตามนามสกุลเนี่ยนะเขาเรียนไตรเพศถึงความสำเร็จในศิลปะทั้งหลายของพรามพยัญชนะอันนี้บอกว่าด็อกเตอร์สมัยนั้นเนี่ยนะด็อกเตอร์สมัยพุทธกาลคือคนที่จบอย่างนี้เนี่ยนะ เขาท่องหนังสือได้เนี่ยหนาจะเป็นคู่อ่ะที่เขาจําได้อยู่ปลายลิ้นเนี่ยหนังสือหนาเป็นคู่บ่ะถ้ามาเป็นเล่มของเราเนะคือแค่ก็คัดลอกส่วนเดียวของสมัยนั้นที่เขาเรียนนะเนี่ยสายบาลีไวยากรณ์ไปเห็นแนละ้มึนกันกลับมาไปเห็นหนังสือปอั๊บหมอาสายหัวเลยแนละ้วมันยากเข้าวมั้นคือสมมุติว่าไอ้สะอาสะอามาผสมกันเข้ามันเป็นอักษรนะถ้าตามสายไอ้บาลีสันสกฤตเนี่ยมันร่วงเยอะมากเลยนะ เอาสะอาไปเป็นสะอาเนี่ยเรื่องยาวแล้วคุยกันยาวอ่ะทำไมมันเอาสะอาไปเป็นสะอาได้เห็นไหมทำไมเอาต่อเต่าไปเป็นทอทหารได้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะสําหรับสําหรับไอ้กฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ของเขาอะ่ะนคำพีโอหูหนาะเป็นตั้งๆเลยแล้วเขาเรียนอย่างบางเจ้าเนี่ยทรงคัมภีร์มหาปริศลักษณะได้ด้วยเขาท่องได้หมดเลยว่าถ้าคนมีลักษณะแบบนี้จะเป็น พยากรณ์ได้เลยว่าคนลักษณะแบบนี้จะเป็นพระพู้แต่เจ้า น, นะดูหน้าก็บอกรู้เลยอย่างบางคนเนี่ยแตาบอกว่าเห็นแต่รอยเท้าหรือเห็นลายนิ้วมือปั๊บเนี่ยรู้ได้เลยว่าใครเป็นใครเดี๋ยนะก็ไอ้พวกคัมภีร์สายโหราศาสตร์เขาก็เก่งคณิตศาสตร์นี่เขาก็เก่งนะเขบอกว่าเห็นใบมะเห็นต้นไม้เนี่ยคํานวณได้ต้นไม้ต้นนั้นมีกี่ใบเดี๋ยนะเขาก็ความสามารถก็สูงมาก น, นะแต่ว่าวิชาของเขาก็เน้นหนักไปเนี่ยในสาย สายวยากรณ์สายภาษาศาสตร์ที่เห็นเป็นว่าเขาสายภาษาจริงๆ เ, เวลาเขาคุยกันเขาคุยกันเป็นกาบเป็นกรอนหมดเลยอันนี้คือเป็นเรื่องธรรมดาเขาจะไม่ค่อยพูดกันภาษ า, ษาธรรมดาหรอกเขาจะสำนวนเขาคุยกันเป็นกาบเป็นกรอนไปหมดอันนี้ประกาศถึงความชํานาญในในภาษาของเขาอย่างเต็มที่เนยนะเขาร่ำเรียนสิ่งเหล่านี้มาอย่างเต็มที่เลยเนี่ยนธุก็บอกว่าจบตรีเพศก็คือจบวิชาสูงสุดในในยุคนั้นเนี่ยนะ ที่วันหนึ่งได้เวลาฟังธรรมมางั้นเถอะพระศาสดาก็แสดงธรรมเขาก็ไปยังพระเชฟตะวันเนี่ยนะไปนั่งอยู่ท้ายบริษัทก็คือคนใหม่ๆปกติก็ไม่กล้าไปนั่งข้างหน้าอยู่แล้วนะถ้าไม่ใช่คนใหญ่คนโตจริงๆอะ่ะจริงก็มานั่งข้างหน้าแต่เป็นคนปกติทั่วๆไปก็แหม ย, ยังดูเชิงก่อนไปนั่งไกลๆนู่นดูที่เขาว่าอะไรแต่เห็นด้วยค่อยขยับเข้าไปอีกถ้าไม่เห็นด้วยก็จะได้รีบถอยคนเยอะไม่ไปว่าอะไรอนะี ทีนี้พระาศาสดาก็ตรวจดูอัธยาศัยของเขาแล้วก็แสดงอินเรียภาวนาสูตรก็คือสูตรว่าด้วยการเจริญ sea. อินทรียันนอินเรียก็คืออินรีย์แต่เป็นอินทรีย์ที่ควรเจริญเป็นภาวนาเนี่ยนะคืออินทรีย์ที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์ที่เป็นชีวิตรูปชีวิตนามเนี่ยอนะินทรีย์ที่เป็นภาวะรูปอินทรีย์พวกนี้เป็นอินทรีย์ที่เป็นทุกขสัตย์ผลของอินทรีย์อันนี้คือเวทนาห้า เรียกว่าเวทนาโดยอินรีห้าทีนี้ถ้าต้องการจะทำลายอินทรีย์เหล่านั้นต้องปฏิบัติตามอินทรีห้าคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะท่านก็ฟังแล้วก็มีศรัทธาในในเรื่องการเจริญศรัทธาเป็นต้นอินเดียาภาวนาก็คือสูตรว่าด้วยการเจริญศรัทธาการเจริญวิรยิยะการเจริญสติการเจริญสมาธิการเจริญปัญญาท่านถ้าใครอยากจะรู้พิสดารก็ไม่ยากนะ่นเอง อยู่ข้างหลังโน่นนะใกล้ๆคุณเฉลิมนะตู้นะเปิดเธอทั้งสองตู้มีหมดแนละ้วก็คืออยู่ใน ata, อินทรียกถาเรียกว่าอินทรียกถาปฏิสัมพิธามจะพูดถึงเหตุเกิดของอินทรีย์ความดับของ C, อินทรียอาศะท่ของอินทรียอาทีนวะของอินทรีย์สัตทินทรีย์เห็นได้ที่ไหนวิริอินทรียรู้ได้ที่ไหนอะไรเงีนเน้ยอินทรีย์ C, เท่าไหร่เกิดกับสมถะอินทรีย์เท่าไหร่เกิดกับสัมวิปัสนาเนี่ย อันที่เรียนใหม่หมๆนะศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโอ้หมูมากไปเจอในประสีสามพิธาแล้วก็รู้ว่าอืมไอ้ไรอันไหนหมูของเรานะอันนั้นน่ยคืออันไหนที่เราคิดว่าง่ายอะนะเรื่องนั้นน่ะจะยากที่สุดนะนะเรื่องไหนที่ว่าแหม่น่าจะสบายมากจริงไม่ใช่อ่ะะของออมานี้ตอนหลังนี่เลิกเชื่อตัวเองแล้วบอกอันนี้หมูนะคิดในใจไว้นะหมูเอาเข้าจริงๆไม่ใช่เลยอะยากมากอนะ <c oughs> สำนวนลวกล้ากลืนฝืนใจอ่านตั้งหลายครั้งนีนกว่าจะปีจะจ ะ, จะโส ม, มนัสกับเข้าว่างในเรื่องเดียวเนี่ยนะและในอินทรีย์ภาวนาสูตรเนี่ยพอท่านฟังท่านก็ได้ศรัทธาแล้วก็บวชนะก็คือก็แสดงว่ามั่นใจเต็มที่อ่ยนะจึงถึงกับสละทุกอย่างแล้วก็เข้ามาบวชพรบวชก็เรียนพระสูตรนั้นคีดเนืองๆถึงเนื้อความแห่งพระสูตรนั้นก็เนื้อความนั้นจะแจ้งในคาถาว่าท่านท่านมาเจริญเป็นยังไง ก็เนื้อความนั้นทีนี้เวลาท่านเจริญท่านก็ไปคิดอยู่เนืองๆนั่น เ, นเมื่อท่านคิดค น, น, นอยู่นั้นอ่ะก็เริ่มตั้งวิปัสนาโดยเอาอายตนะเป็นประธานไม่นานนักก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์นั่ น, นทีนี้ท่านก็ประกาศอาการที่ท่านเอาไปคิดอ่ะที่ท่านไปปฏิบัตินะท่านไปปฏิบัติยงังไงก็เรียกว่ารวบเอามาสั้นๆนั่ น, นะมาตรัสเป็นเอามากล่าวเป็นคาถาว่า ความคิดได้มีแล้วแก่ภิกษุชื่อว่าปาราปริยะเนี่ยนะผู้เป็นสมณะนั่งแต่ผู้เดียวมีจิตสงบเพ่งชานเนี่ยนะอันนี้ก็คือประกาศถึงถ้าว่ารวบยอดก็คือศีลสมถาวิปั ส, สนาเนี่ยบริบูรนณะ์นะเนี่ยนะถ้อยคำประโยคเท่านี้นะเพราะคําว่าความคิดความคิดในที่นี้ก็คือความคิดธรรมะเนี่ยนะสมมุติว่าเราไปนั่งอยู่โคนไม้ต้นหนึ่งเลยนะไปนั่งคิดสักอย่างหนึ่งนะนั่งคิดอะไรเนี่ย ท่านก็บอกว่าการพิจารณาธรรมนั่นเองก็คือไปคิดไปพิจารณาธรรมทีนี้ท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยเป็นภิกษุนะคำว่าภิกษุแปลว่าเห็นไัยในวัฏตะใช่ไหมคือเป็นคนที่คิดแบบเห็นไัยในวะตะัตฏะไปนั่งคิดใช่ไหก็แสดงว่าพื้นฐานในเห็นโทษของพพทั้งมวลนะโดยอัทยาศัยต้องรู้ไัยของ พบทั้งมวลหรือเห็นภัยของขันอายตนาธาโดยอัธยาศัยอยู่แล้วก็เลยไปคิดดูก็ความเป็นผู้เป็นสั ม, มณะคําว่าสั ม, มณะก็คือผู้สงบบาปนะสงบจากบาปสงบจากอากุศลแล้วก็ไปเจริญกายยะวิเวกนี่ยนะนั่งอยู่ก็นั่งผู้เดียวก็คือเป็นประกาศถึงกายยะวิเวกแต่คําว่ากายยวิเวกอันนี้ประกาศว่าศีลสิกขาของท่านเนี่ยดีเยี่ยมแล้วนีนะ เพราะว่าโดยปกติรวมๆนั้นถ้าทางพระวินัยแล้วพระที่นั่งได้นานๆนิ่งๆอ่ะถ้าไม่ศึกษามาดีจริงๆอ่ะทายากนะนะเว้นไว้แต่ว่าไม่มีศรัทธาตามแนวพระไตรปิฎกน ะ, นะถ้ามีความรู้ทางด้านพระไตรปิฎกดีนะใครเป็นนั่งนิ่งๆอยู่คนเดียวและเจริญได้นี่ก็ถือว่าว่าเก่งมากเพราะว่าถ้าใครระลึกถึงวินัยตัวเองได้ปกติจะร้อนนะนะ เพราะว่าจะต้องเช่นเดือดร้อนจะต้องไปทําคืนจะต้องไปอะไรเป็นต้นหรือพอไปนั่งปั๊บก็เอาอันนั้นเราก็ขาดอันนี้ก็ไม่พอเนี่ยจะเริ่มรู้แล้ใครที่นั่งจเจริญได้ก็ถือว่าเก่งก็มีจิตสงบเนี่ยนะคือนั่งกายวิเวกศีลดีจิตสงบก็จิตววจตวิเวกใช่ไหมจิตตวิเวกอันนั้นสมถะดีเยี่ยมเนี่ยนะก็คืออยู่บนพื้นฐานของศีลเป็นอย่างดีและสมถะเป็นอย่างดีมันสองประโยคสามประโยคเนี่ย ประกาศถึงว่าวิสุทธิมรรคสีและนิเทศสมาธินิเท ศ, ส, เทศสอบผ่านมาหมดแล้วแล้วก็เพ่งฌาน เ, าเพ่งฌานนี่หมายถึงลักขณูปนิสฌานกับอารัมมณูปนิสฌานตรงนี้หมายถึงว่าโยนิโสมนสิการนั่นเองอันโยนิโสมนัสิการก็คือการเอาอริยสัจเนี่ยมามาม า, มาใคร่ครวญเดี๋ยวพระปริยป า, าราปริยะท่านก็กล่าวต่อไปว่าบุรุษพึงทําอะไรโดยลําดับพึงประพฤติวัดอย่างไร ประพฤติมารยาทอย่างไรจึงชื่อว่าเป็นผู้ทํากิจของตนและชื่อว่าไม่เบียดเบียนใครๆเนี่ยนะอันนี้ก็ประกาศถึงว่าจะเจริญมัคคสัตย์ยังไงอ่านะก็ถ้ากล่าวลักษณะนี้ก็ประกาศถึงว่าทุกขศาสัสน์นี้ท่านเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะสมุทยัยศาสตร์ก็เข้าใจนิโรธศัตร์ก็เข้าใจเมื่อเข้าใจสัตว์จะทั้งสามก่อนหน้านั้นอะ่ะจึงมาให้ความสําคัญกับการเจริญมัคคสัตย์ เพราะถ้าคนที่ไม่เข้าใจทุกไม่รู้สมุทยัยแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าละสิ่งเหล่านั้นได้สงบยังไงนะมาปฏิบัติทำอะไรเนี่ยนะก็จะไม่รู้เพรา ะ, ะนั้นพื้นฐานเนี่ยจะสัก์จะก่อนหน้านี้ก็ต้องโดยสุตะท่านต้องฟังมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วก็เลยมาปรารว่าพึงทำอะไรเนี่ยตามลำดับพึงประพฤติวัดอย่างไรประพฤติมันญาติอย่างไร นั้นคำว่าประพฤติวัดนี่หมายถึงวารีศิลป์เนี่ยนะว่าจะต้องงดเว้นจากอะไรบ้างแล้วมารยาตเนี่ยคือสีและสมาจาร์เนี่ยต้องเป็นยังไง่นจึงจะเชื่อว่าทากิจของตนซึ่งอัตถกาถาธีบายคำว่าทากิจของตนหมายถึงไตรสิกขาี่นะเฉพาะในพระศาสนานี้กิจของตัวเองจริงๆเลยนะก็คือการเจริญไตรสิกขา ทีนี้ถ้าไม่เจริญไตรสิกขาอยู่เมื่อนั้นก็เชื่อว่าทิ้งทิ้งกิจของตัวเองเนี่ยนะทิ้งหน้าที่ของตัวเองกิจคือไตรสิกขาเนี่ยต้องท protects, ําให้ขนาดไหนต้องทํากิจคือไตรสิกขาให้ประชุมเนี่ยสครั้งไงไตรสิกขาประชุมครั้งแรกเรียกว่าโซดาปฏิมักประชุมครั้งที่สองเป็นสกะธาคามิมักเนี่ยนะประชุมที่3ก็เป็นอนาคามิมักประชุมครั้งที่4ี่ก็เป็นอรหัตตมัก มันก็ประชมศีลสมาธิปัญญาให้เป็นมักให้ได้นะทำกิจอันเนี้ยให้ได้สี่ครั้งอะ่ะแล้วก็ถ้าว่าโดยเอาอันนี้กิจในสายมักนะถ้าทำกิจอันนี้ก็เท่าเชื่อว่าทำกิจในทุกสมุทยัยและนิโรธด้วยมันก็จะเจ็บจบกิจสิบหพอดีเลยทั้นถ้าจะทำยังไงจึงจะจบกิจจริงๆเนี่ยนะ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 อินทรีย์นี่ขึ้นมาเป็นตัวตั้งอินทรีย์ตัวที่เป็นใหญ่ๆเลยนะในชีวิตของเราเนี่ยตัวใหญ่ๆมีหอย่างใช่ไหมตาเนี่ยใหญ่หูก็ใหญ่จมูกก็ใหญ่ลิ้นก็ใหญ่กายก็ใหญ่จิตเนี่ยใหญ่เรียกว่าอายตนะภายใน6เนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยใหญ่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองอย่างว่างั้นมีเพื่อประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ ถ้าผู้ใดไม่รักษาอินทรีย์หกนีชื่อว่าไม่เป็นประโยชน์ถ้าผู้ใดรักษาอินทรีย์หกชื่อว่ามีประโยชน์นะซึ่งอัตถาที่บายว่าย้อนอีกครั้งย้อนนิดหนึ่งว่าบทว่าปุริโสกิงวตังกิงสมาจารังความว่าบุรุษผู้ใครประโยชน์ เมื่อประพฤติศีลสมมาจาร์เช่นไรจึงได้น้ำจึงได้น้ำว่าวัดพระอัฏฐว่าพึงสมทานชื่อว่าเป็นผู้มีปกติทำกิจของตนคือเป็นผู้มักทํากิจที่ควรทำํำและไม่เบียดเบียนคือไม่พึงทําสัตว์รายๆให้ลําบากสมณะธรรมชื่อว่ากิจของตนโดยสังเขปได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเมื่อบุคคลบําเพ็ญสมณะธรรมนั้นแม้แต่เล่ในการเบียดเบียนผู้อื่นย่อมไม่มี น, นะ ถ้าบำเพ็ญศีลแลเสกขาเพระศีลเนี่ยไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนด้วยไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยทางกายและวาจาก่อนใช่ไหมถ้าสมาธิกับปัญญาก็คือไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางใจนั่นเพราะว่าเมื่อมีการเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ความเป็นสมณะก็มีไม่ได้อนะอย่างในโอวาตปาติโมกไหมพระองค์ตรัสว่าผู้ฆ่าสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรปะชิตผู้เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าเป็น สมณะอะนะในในโอว า, าทปาติโมกนี่กล่าวว่าชัดเจนเลยเพราะผู้ฆ่าสัตว์อื่นผู iten, ้เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่เป็นบรรปชิตไม่เป็นสมณะก็ในที่นี้ท่านถือเอาวาเรีวารศีลด้วยวัตตะศัตท์คือวัดถือเอาฌานวิปัสสนาพร้อมกับจารีตศีลด้วยคําว่าสมาจารย์ศัพท์ว่าสมาจารย์นี่กว้างหมายทั้งเอาทั้งฌานวิปัสสนาเป็นต้นพร้อมกับจารีตศีลอ่ะนะ สมาจาร์เนี่ยแปลว่าความประพฤต์นะเพราะว่าเป็นธรรมะที่จะต้องประพฤติขึ้นจารีตศีลนี่ก็ต้องประพฤติขึ้นต้องทำให้มีขึ้นไม่ใช่ว่ามันเกิดมันเองไม่ใช่อันนี้ต้องสร้างขึ้นมา ง, งั้นทั้งฌานก็ต้องสร้างขึ้นวิปัสสนาก็ต้องสร้างขึ้นบำเพ็ญขึ้นนั่นนะแะว่าต้องประพฤติเอา